เลี้ยงบ้านเสาหินเนาะชายแดนไทยพมา่านะอากาศจะหนาวมากกว่าที่คิดนะตอ น, นเย็นตอนหัวค่ํายังไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะแต่ดึกมาเรื่อยๆก็ยิ่งเะหนาวขึ้นเรื่อยๆนะออืก็ประมาณไม่ไดนะ้อากาศนะมันก็หนาวเร็วขึ้นเรื่อยๆนะอืม เลยทำให้คิดถึงคำพูดของครูคนหนึ่งนะอตอนที่เป็นนักศึกษานะไปฝึกงานกับมูลนิธิสร้างสันเด็กนะครูที่ดูแลนะที่คุณน่องก็บอกว่าคุณถ้าคุณยังไม่เคยแบบอดอาหารสองสามวันนะ่ะคุณไม่รู้คุณยังไม่รู้จักเด็กเล่ร่อนหลักว่าเป็นแบบไหน ตอนนั้นเราก็ฟังแต่ก็ไม่เข้าใจนะฟังก็คิดว่าเออเูาเขาก็พูดแต่พอเราเคยอดอาหารบ้างนะตอนอดอาหารรังพนะิษเนี่ยทำให้โอ้คิดถึงคำพูดตัว น, นี้อะไรที่เออพออดอาหารมันค่อยรู้จักความหิวนะบางทีตอนเราเป็นเด็กเราอยู่ที่บ้านเนะี่ย คำว่าหิวเนี่ยมันเป็นเพียงแค่แบบชั่วครั้งชั่วข้าวสั้นๆสักเดียวเนาะเราหิวแล้วก็ไปเปิดตู้กับข้าวหรือไปเอาเงินไปซื้อข้าวกินก็หายหิวละนเวลาแม่ถามหิวข้าวหรือยังเลยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าไม่หิวเนาะนะลราก็อยากจะเล่นล้วก็ สนุกสนานทำอะไรแต่เราถ้าเราไม่เคยแบบอดอาหารหรือว่าไม่มีอาหารรับประทานจริงๆเนี่ยเราก็ยากจะเข้าใจคนที่เขาหิวมากๆจริงๆนะหรือแม้แต่ความหนาวก็เหมือนกัน<ส>ใช่ไหเวลาเราอยู่บ้านเนะี่ยเสื้อผ้ากันหนาวผ้าห่มกันหนาว ที่บ้านก็มีเยอะแยะมากมายนะมจะเอามาห่มหนาเท่าไรก็ได้นะอากาศจะหนาวเท่าไรนะบ้านเราก็มิดพิเผ้าห่มก็เยอะแยะนะหน้าหนาวก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไรนะถ้าเราอยู่ที่บ้านอยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยนะอความหิวความหนาวนะความเหนื่อยก็เหมือนกันนะใช่ไ ความเหนื่อยถ้าเราแบบออไม่ได้เดินทุดดงแบบนี้ไม่ได้เดินแบบเหนื่อยแบบนี้นะ เ, นเราก็อาจจะไม่เห็นคุณค่าของน้ำส้มธรรมดาธรรมดานะหรือน้ำผสมเกลือแรนะ่น้ำหวานนะหรือบางขณะก็คิดถึงน้ำเย็นนะแค่นี้ก็ทำให้ร่างกายเรารู้สึกสดชื่นขนไหนเนะวลาเราเห็นผ้าทุดดงนะ เวลาเราเคยทวดองเห็นพระทวดองก็ค yeah, ิดถึงเออถ้าได้ถวายสปอนเซอร์ถวายน้ําหวานเนี่ยก็คงดีนะท่านจะได้รู้สึกสดชื่นชื่นเพราะอไรเพราะเราก็เคยรู้สึกแบบนั้นเวลาเรานอเหนื่อยนะเราก็จะเข้าใจคนที่เหนื่อยเวลาเราหิวเราก็จะเข้าใจคนที่เขาหิว เวลาเราหนาวเราก็เข้าใจคนที่หนาวหรือเวลาเราร้อนรนะ้อนรู้สึกไหมเวลาแค่เมฆบังแสงแดดหรือเจอต้นไม้มให้ร่มเงาจากพระอาทิตย์เราก็รู้สึกโอ้แค่นี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสุขนะแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วนะ เนี่ยเวลาเราเจอความทุกข์นะมันจะทำให้เราได้เปิดใจเข้าใจคนที่เขาทุกข์เหมือนกับเรานะเหมือนอย่างที่เราได้แผเ่เมตตาบอกสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เนะี่เราจะมองเราจะมองความทุกข์เนี่ยนะไม่ใช่ที่เกิดขึ้นแต่ตัวเราเท่านั้นนะเราก็มองว่าสัตว์ทั้งหลายนี้ก็ล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ของเรานะ เราจะมองเป็นกันและการเป็นเพื่อนกันน ะ, นนะไม่ได้มองเป็นแบบแบบแบ่งแยกเป็นศัตรูเวลาเราเคยทุกข์มากๆเนี่ยเราจะเข้าใจคนที่ทุกข์ที่พูดเมื่อสักครูนคร่นี้เสียก็เป็นเรื่องความทุกข์ทางกายเนา ะ, น ะ, ะที่เราก็จะเข้าใจคนที่เขามีความทุกข์ทางกายมากๆเยอะขึ้ น, นที่จริงก็ มันก็มีเพื่อนร่วมทุกข์ที่บางคนดูภายนอกเหมือนไม่ทุกข์นะเพราะมีพร้อมทุกอย่างแต่ก็อาจจะมีความทุกข์ทางใจนะความทุกข์เพราะว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์นะหรือว่าพัดพรากอยากสิ่งที่รักที่พอใจเนี่ยมันก็เป็นทุกข์นะคือความทุกข์ทางใจก็มี หลายอย่างนะที่บางคนอยากได้แล้วก็ไม่พอใจก็เป็นทุกข์นะ่ไม่อยากได้นยะแล้วก็เจอกับสิ่งที่ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์นะสูญเสียคนรักถึงเสียสิ่งรักเนะี่ยก็เป็นทุกข์นะนี่คือความทุกข์ทางใจที่เราเองก็เคยเจอเหมือนกันใช่ไหมนะบางคนก็อาจจะเคยอกหัก คนก็อาจจะเคยสูญเสียของรักคนรักนะหรือสูญเสียพ่อแม่นเราก็จะเข้าใจโอ้ความทุกข์ของการสูญเสียความทุกข์ของการไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจมันเป็นแบบไหนนะถ้าเราเข้าใจเขานะเราก็อืมเราก็จะรู้สึกว่าเมตตาแล้วก็สงสารเขานะ นะบางทีบางขนาดที่มันทุกข์นะมันก็มืดนะมันก็หลงมันก็หาทางออกไม่เจอนะนะแต่บางทีถ้ามีคนแค่คอยรับฟังเขานะนะหรือคอยไกดนะแนะนำนิดนึงนะเขาก็อาจจะพบทางออกได้นะเราพยายามมอง มองกันและกันนะแล้วก็มองทุกสรตวสัตว์นะเป็น เ, เ, เพื่อนร่วมทุกข์ของเราทั้งนั้นนะความทุกข์ทางกายนะถ้าเราพอมีกำลังช่วยเหลือกันได้เราก็ทำกันความทุกข์ทางใจนะที่จริงเราก็ทำได้นะรับฟังบางทีความทุกข์นะ แ, แค่มีคน ได้ฟังเรื่องราวที่เขาทุกข์ใจเนะี่ยแค่นี้ก็ระบายความทุกข์จัดใจของเขาไปได้เยอะแล้วนะบางทีเวลาคนทุกข์เนี่ยบางทีเขาเพิ่งแค่อยากจะพูดให้ระบายให้ฟังไม่ได้อยากฟังคําสอนนะอื ม, มแค่ฟังสิ่งที่เขาพูดด้วยใจที่เข้าใจเนาะบางทีเราก็เข้าใจเขาแหละเขายังแบบนั้นอยู่ก็ บางทีท้าทีการเหมือนว่าเขาผิดว่าเขาไม่ถูกว่าเขาไม่ดีว่าเขาไม่เข้าทําไมไม่เข้าใจเนี่ยบางทีก็ยิ่งไปตั้งเติมเขาเนาะที่แค่รับฟังด้วยใจที่ที่อบอ้อมอารีนะมันก็จะทําให้เขาก็ค่อยค่อยค่อยใจเองเหมือนอย่างสมัยพุทธการนะนะสมัยพุทธการ ก็มีผู้หญิงที่สูญเสียลูกใช่ไหมนี่นางก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกตัวเองต้องตายคิดว่าลูกตัวเองแค่สะดบเฉยๆแต่เวนไปหาคนนั้นคนนี้นี่เพื่อหาหมอรักษาให้กับลูกของตัวเองคนทุกคนก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วไม่ฟื้นดอกลูกเธอตายแล้วไม่ฟื้นดอก จนสุดท้ายเขาก็ไม่รู้จะหาที่พึ่งไหนกน็น<อ>มีคนแนะนำให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกเหมือนคนอื่นก็บอกนะนาง ม, มีความทุกข์ใจเพราะลูกตายนางรักลูกของนางมากและนางมีความหวังว่าลูกของนางน่าจะฟื้นได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเหมือนคนอื่นสอนไม่ได้สอนว่าให้ทำใจ ไม่สอนว่าลูกตายไปแล้วไม่ฟื้นหรอกนะไม่สอนบอกว่ามันเป็นกฎธรรมชาติแต่พระเจ้าบอกให้ให้ไปหาเมื่อได้ผักกาดในบ้านที่ไม่มีคนตายถ้าได้เมื่อได้ผักกาดในบ้านที่ไม่มีคนตายเราจะทํายาให้ลูกเธอฟื้นได้พระเจ้าเพียงแค่ไกดให้เขาไปพบความจริงว่า เมื่อไปในบ้านต่างๆเนะก็ไปเจอบ้านแต่ละบ้านก็มีคนตายทั้งนั้นนะบ้านนี้ก็มีพ่อตายบ้านนี้ก็มีแม่ตายบ้านนี้ก็มีลูกตายบ้านนี้ก็มีสามีตายบ้านนี้ก็มีภรรยาตายนะทุกบ้านล้วนแต่มีคนตายไม่พ้นความตายได้พระเจ้าไม่ได้สอนเขาตรงๆนะแต่ให้เขาไปเจอสิ่งที่ มันก็เป็นความทุกข์เหมือนกับเขาเจอนั่นแหล ะ, ะความพลดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เนะี่ยทำให้เขาเ ข, ข้าใจตัวเองอ๋อที่ตัวเองเจอเนะี่ยก็เหมือนกับคนอื่นเจอนั่นแหละนะนะนางก็ยอมรับได้ น, ะนะนางก็เลิกคนไขยในการที่จะทำให้ตัวเองฟืนแล้วอันนี้คือ ก็เป็นวิธีการที่ฌานฉลาดของพระพุทธเจ้านะอืมที่ทําให้เราได้อได้พบทําให้นางคนนั้นได้พบความจริงว่าเอามันเป็นธรรมชาติโดยไม่ได้บอกว่าเป็นธรรมชาตินะแต่เขาเข้าใจเองว่าเป็นธรรมชาตินี่เขาก็เข้าใจว่าคนอื่นเจอก็เหมือนกับเราเจอนั่นแหละ นะเราเจอก็เหมือนกับคนอื่นเจอนั่นแหละนะนะด้วนหนีไม่พ้นสิ่งเดียวกันตรงนี้นะเนะี่ยเวลาเรามาทุดดงเนาะเรามาเผชิญกับความทุกข์นะเรามาเจอกับความทุกข์นะความทุกข์แนะ่ๆเนะนะี่ยทางกายเราเราเจอหลายอย่างเลยที่ถ้าเราอยู่ที่บ้านถ้าเราอยู่ที่วัดเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอเนาะนะความร้อนก็ดี ความเหนื่อยก็ดีความหนาวก็ดีความหิวก็ดี น, ดนี่ให้พวกนี้บางทีเราฟังนะเออเหมือนจะเข้าใจน ะ, จะแต่ถ้าเราไม่เคยทุกข์มากๆแบบนั้นนะนก็ยากที่จะเข้าใจนะอืมหรือเวลาเราเห็นคนอื่นเจ็บป่วยมากๆถ้าเราไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยต้องนอนโรงพยาบาล น, นานๆเ น, นี่ย ก, ก, ก็ยากจะเข้าใจความรู้สึกนะเออ แต่ถ้าเราเคยเจ็บป่วยบ้างเคยนยนะนอนแบบนั้นบ้างเนะี่ยเราจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่จเจ็บป่วยได้ง่ายเนะนี่ยเดี๋ยวบางคนเขาติดเล้าเนะี่ยเขาติดบุหรี่นะเขาก็อยากจะเลิกนะแต่ก็เลิกยากนะเลิกแล้วเลิกแล้วก็กลับไปสูบอีกเลิกแล้วก็กลับไปกินอีกเนะ่ย บางคนถ้าไม่เคยติดนะจะไม่เข้าใจว่ามันบางทีมันก็ไม่ง่ายนะพราะมันก็อยู่ในสารเคมีในเลือดแล้วหรือว่าอยู่ในสังคมที่เขาต้องอยู่แล้วเนอะันทีก็ไปพูดมันไปพูดสอนเขามันง่ายนะแต่จริงพอเป็นเขาจริงมันก็อาจจะยากหน่อยนะแต่จริงคนพวกนี้เขาต้องการแค่ความเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทนะําเนี่ยมัน มันยากนะในตัวเขาในความคิดของเขาแต่ถ้าเลิกแด้จริงๆมันง่ายส่วนหนึ่งเราต้องเข้าใจเขาก่อนนะว่ามันถ้าคนไม่เคยติดมันจะไม่รู้ว่ามันมันเลิกยากหรือเลิกง่ายแต่ถ้าเราไปพูดแบบเออก็ไม่ต้องไปสูบไม่ต้องไปกินมันมันก็เลิกของมันเองมันก็พูดง่ายนะแต่เพียงแต่ว่า มันก็อาจจะทำยากกับกับสถานการณ์ของเขาส่วนหนึ่งเราต้องเข้าใจเขาก่อนนะเข้าใจแล้วก็ค่อยๆให้กาลังใจนะให้กาลังใจนะในสิ่งที่ยังทำไม่ได้ก็ต้องพยายามทาให้มันทำให้ได้มากขึ้นนะแล้วเขาก็จะค่อยมีกาลังใจในการที่จะเลิกหรือละสิ่ ง, งต่างๆได้ทนะีเนะี้ยความเข้าใจในคนอื่นนะ ก็ต้องเกิดจากความเข้าใจในตัวเองนะก่อนนะเหมือนอย่างที่เราเคยทุกเนี่ยพอเราเข้าใจสภาวะทุกมันเป็นแบบไหนไม่ว่าจะทุกทางกายก็ดีทุกทางใจก็ดีนะเวลาคนอื่นเขามีความทุกแบบเนี้ยเราก็จะเข้าใจนะเราก็เคยเป็นนะเราก็เคยทุกทางกายแบบนี้เราก็เคยทุกทางใจแบบนี้นะ เมื่อเราเข้าใจเขาแล้วนะเราก็เหมือนเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ของเขาจริงๆนะที่จริงเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์นะแต่เหมือนเหมือนมีมมคนอย่างเราเดินทุ้ดงนะเหมือนเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนเดินด้วยกันเนี่ยมันมีกำลังใจในการเดินขึขนะ้นเขาถ้า เ, าเดินคนเดียวนี่อาจจะรู้สึกว่า <c oughs> ไม่ค่อยอยากจะเดินละนะ่ะเ ว, วลาจะเดินขึ้นเขาเวลาตนร้อนเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยถ้าเดินคนเดียวกับเดินหลายคนเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันจริงๆริงนะ ท, นนที่เคยเดินคนเดียวเนี่ยบางทีก็เ ค, เคยคิดมาเดินทําไมวะร้อนร้อ น, นแบบนี้เนี่ยเขาสูงสูงแบบนี้เ น, น, นี่ยเคยเดินนะตอนเดือนเมษานหน้าร้อนร้อนเขาสูงสูงน่ะ ต้นไม้ก็ไม่มีนะอ๋อมีแต่หญ้ามีแต่ไร่อยู่นะอ๋อก็เคยเคยรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแต่พอมันก็ต่างกันจากเราเดินแบบมีเพื่อนอ๋อเพื่อนก็เดินอยู่ข้างหน้าเราเพื่อนก็เดินอยู่ข้างหลังเรานะอย่างน้อยเราทุก์เราก็ยังมีเพื่อนร่วมทุก์กันเนี่ยมันรู้สึกมันก็อาจจะเหนื่อยแต่มันก็ไม่ท้อ มันก็รู้สึกเออมันก็มีกาลังใจในเวลาคนเขาทุกข์นะทัทีเราแค่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเขาเนี่ยเขาก็มีกาลังใจละน่ะที่เขาจะผ่านความทุกข์ได้ด้วยตัวของเขาเองนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะนะน่แต่ชาวพุทเป็นแต่เพียงผู้บอกนะแต่ท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้ที่ต้องทำเองนะ ที่จริงความทุกข์เนี่ยไม่มีใครแก้ให้กับไม่มีใครแก้ให้กับคนอื่นได้นะมีแต่เขาต้องแก้ด้วยตัวของเขาเองเราเพียงแต่อาจจะได้เป็นกําลังใจหรือเป็นคนชีนน้แนะนิดหน่อยนะแต่ทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นคนที่เขาทำเองมันเขาหิวนยเราจะกินแทนเขาก็ไม่ได้เขาก็ต้องกินของเขาเอง เขาเหนื่อยเราจะพักแทนเขาก็ไม่ได้เขาต้องเขาก็ต้องพักของเขาเองเขาทุกข์ใจก็เหมือนกันเขาก็ต้องเห็นความทุกข์ใจของเขาเห็นเหตุของความทุกข์ใจของเขาเขาละเหตุตรงนั้นได้เขาก็พ้นจากความทุกข์ใจของเขาเองแต่ที่จริง พรเจ้าก็สดุบให้เราเห็นนะที่จริงนะอุปทานหรือการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแหละนะมันคือเหตุของความทุกข์นยะถ้าเราเห็นจริงๆเนี่ยร่างกายมันร้อนร่างกายมันหนาวร่างกายมันหิวมันเป็นความทุกข์ของร่างกายนะบาทีเราก็ต้องอาศัยอาหารอาศัยเสื้อผ้าอาศัยผ้าห่มอาศัยร่มเงาเป็นตะัวบำบัดนระักษา อันนี้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่ต้องมาช่วยเหลือนะมันถึงจะหายนะแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยนะมันเกิดจากการยึดถือยึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นอุปทานว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราเนะีนะ่ยเหตุของความทุกข์มันคือตรงนี้นะเมื่อร่ที่เราเห็นความยึดมั่นถือมั่นนะเมืนะ่อนั้นมันถึงจะคลาย ความทุกข์หรือว่าปล่อยวางความทุกข์ได้นะที่จริงนะที่เรานะคําสอนง่ายๆที่บอกให้เรารู้สึกตัวให้เรามีสติเ น, นี่ยมาเป็นการคลายอุปทานทีละครั้งทีละครั้งนะเนี่ยเวลาคิดนะเวลาปรุงแต่งอันนั้นแหละนะอุปทานขันมันเกิดขึ้นแล้วการยึดมั่นถือมั่นบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเนะพอเรารู้ทันความคิดหรือทันการปรุงแต่งนะมันก็ มันก็วางทีละขณะวางจิตก็ว่างนะคำว่าว่างนี่ไม่ใช่ว่างแบบไม่มีคัคิดนะแต่ว่างแบบว่างเปล่าจากการยึดมั่นถือมั่นว่างเปล่าจากการมีตัวตนนะว่างเปล่าจากการเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์นะการมีสติมันทำให้เราว่างจากการยึดถือหรือการแบกนะมันก็ทำให้ มันเบามันสบายขึ้นเอาง่ายๆ่ยนะเหมือนเราเดินนะตอนเดินแบกกระเป๋าแบกเป้นะมันก็หนักนะพอตอนพักได้ปลดเป้ปลดกระเป๋าออกมาโอ้มันก็เบ า, เบาลงไปเยอะเลยนะแม้เราจะไม่พ้นทุกเลยสิ้นเชิงนะแต่จริงขนาดที่เรามีสตินะรู้ทันรู้ทันตัวนะรู้ทันใจเนะี่ยเหมือนกับเรา ปลดเป้ลงไปจากหลังเราเนะนี่ยร่างกายก็เบาไปเยอะเลยนะใจเราก็เบาลงไปเยอะเลยนะเราคอยรู้ทันนะการปงแต่งเนะี่ยที่มันเป็นอุปทานในความคิดในความยึดมั่นถือมั่นเนะี่ยหละมันเป็นเหตุให้เราทุกเนาะให้เราคอยรู้ทันตรง น, นี้นบ่อยๆมันก็จะทำให้เราค่อยๆปลดนะสัมภาระที่มันมันเป็นสิ่งที่ มันแบกแล้วก็ทุกเนะี่ยแต่เราเดินทางนะเราก็ยังต้องแบกมันไปนะแต่ใจเราไม่จะเป็นต้องแบกนะนะเราเดินทางทุ่งดงเราต้องแบกสัมภาระไปเพราะว่ามันต้องได้ใช้นะแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยนะมันแบกเพราะเราหลงนะแบกเพราะเราหลงไปคิดแบกเพราะเราหลงไปอยากนะ บางทีก็เกี่ยวข้องกับกายนะเช่นความหิวมันก็ชวนให้เราปรุงแต่งเรื่องอาหารความเหนื่อยก็ทําให้เราปรุงแต่งในการถึงเป้าหมายถึงที่พักแม้แต่ความทุกข์ในการปฏิบัติธรรมนะเวลาเราก็คิดเราก็คาดหวังเมื่อไหร่เราจะพ้นจากทุกข์เมื่อไหร่เราจะบรรลุธรรม เมื่อไรเราจะถึงจะใจจะสบายสพืทีนะมันก็เหมือนกับเราเดินทางแล้วเราก็คิดถึงว่าเมื่อไรเราจะถึงที่ทักถึงเป้าหมายถึงยอดเขาเนะมันก็ทุกเนะี่ยการภาวนานะก็ต้องระวังบางทีนักภาวนาทีเมื่อไปคิดถึงเป้าหมายคิดถึงว่าเมื่อไรเราจะบรรลุธรรมคิดถึงเมื่อไรว่าเราจะพ้นจากความทุกข์ คิดถึงว่าเมื่อไรเราจะนะมีที่พึ่งในตัวเองได้นะบางทีก็เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับใจนะเพราะว่าความคาดหวังในใจของเราเนี่แหละนะมันทำให้ใจมันทุกข์ไปมากความทุกข์ท้งโลกนะนะก็มีอยู่แล้วนะทุกกายก็มีอยู่แล้วความทุกข์ทางใจที่ต้องเจอนะ ที่เด็เลีเ้ยงไม่ได้นะความสูญเสียนอหรือว่าประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจมันก็มีอยู่แล้วนะแต่ให้รู้ทันความทุกข์ที่เกิดจากการคาดหวังเนีะที่เกิดจากความอยากในใจเนะมันจะทําให้เราทุกข์ใจไปเยอะเลยนะนะพวกเราก็ต้องคอยดูดีๆนะนะถ้าเราดูตัวเองบ่อยๆนะมันก็จะเห็นว่าเหตุ ข, ของความทุกข์มันเกิดตอน เกิดตอนไหนเกิดอย่างไรนะละอย่างไรนะถ้าเราละเหตุได้นะนะเราก็จะวางความทุกข์ได้ในแต่ละขณะนะแต่ก็อย่างว่าเริ่มแรกต้องเริ่มด้วยการที่เราต้องศึกษาด้วยความเข้าใจเนาะนะอย่างที่ว่าพอเราเจอกับความทุกข์เนะี่ยเราก็จะเข้าใจว่าความทุกข์เป็นแบบไหนเราก็จะเข้าใจคนอื่นที่เขาทุกข์ เ็เป็นแบบไหนเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าทุกข์คือสิ่งที่ต้องต้องรู้นยรู้ก็คือเรียนรู้นั่นแหละเรียนรู้ก็คือศึกษาทุกข์อยู่ที่ตรงไหนพระเจ้าก็บอกทุกข์ก็คือเรื่องของกายเรื่องของใจนี่แหละรูปนามนี่เป็นตัวทุกข์พระเจ้าเคยสอนให้ศึกษาลงไปที่รูปที่นามเรียนรู้เรื่องรูปเรื่องนามมันเป็นทุกข์อย่างไร เรียนรู้นะศึกษานะแล้วเราจะเข้าใจเหตุของความทุกขเกิดจากอะไรนะลูปมันทุกเพราะอะไรนะนามันทุกเพราะอะไรเหตุความทุกข์ของรูปเพราะอะไรความร้อนความหนาวความหิวความเหนื่อยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคือเหตุของความทุกขของรูกนะหนีไม่พ้นนะ เพราะเหตุปัจจัยภายนอกอากาศหนาวลูกก็ต้องหนาวอากาศร้อนลูกก็ต้องร้อ น, นเดินขึ้นเขาสูงชันลูกก็ต้องเหนื่อยนี่คือเหตุนกินข้าวอาหารย่อยจนหมดนร่างกายต้องการสารอาหารมันก็ต้องหิวเรื่องทุกข์ของรูปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อ๋อมันเหตุเป็นแบบนี้นะภาษาขอวงพ่ะเทียนก็เรียบง่ายๆ รูปทุกนะหรือรูปโรคนะนรูปทุกนะเพราะมันนะมีโรคนะมีโรคนะโรคความหิวโรคความร้อนโรคความหนาวโรคความโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆ น, นามทุกเป็นแบบไหน น, นามทุกเพราะเนี่ยหละนะมันปรุงแต่ ง, น, งนีน่ยสังเกตให้ตอนหิวบางทีใจเราจะเผลอเป็นเปรตได้ง่ายนๆนะ อืปรุงแต่งอยากนะอยากสารพัดมากมายนะอยากกินเนะี่ยอยากได้แบบนี้นะใจเราจะเผยเป็นเปดนะออันนี้ก็น่าเอาอันนี้ก็น่ากินนะเพราะเป็นเปดตมันมจะเกิดขึ้นในใจของเราบางทีก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาใ น, ในใจของเรานะอืม เกิความหลงสารพัดมากมายเนะี่ยนี่คือความทุกข์ของใจเนาะทุกข์เพราะการปรุงแต่งทุกข์เพราะการยึดมั่นถือมั่นนะถ้าเราละเหตุนะละความอยากถอนความอยากคนนี้ออกไปได้นะความทุกข์ทางใจก็จะหมดไปหรือว่าโดดไปในแต่ละขณะไดนะ้รูปทุกข์นามทุกข์ รูปโลกนามโลกนะโลกของรูปเป็นแบบนี้โลกของนามเป็นแบบนี้นะแล้วนะก็ละเหตุของมันเสียนะละเหตุได้มันก็เบาเสียเนะีนะ่ยเนี่ยเราศึกษาถ้าเราจะเข้าใจถ้าเราจะละได้เนะี่ยที่ละได้เพราะว่าเนะี่ยเราจะเดินสติเนะีเราจะเดินสมาธิเนี่ยนะนะจนทั้ง บางทีก็ละเริ่มแรกละด้วยศีลนะละด้วยศีลตั้งมั่นมีสัจจะนะอืเช่นสัจจะจะฉันมือเดียวสัจจะจะไม่ฉันหลังเวลาวิการเนี้ยมีสัจจะไม่หิวขนาดไหนนะเราก็จะไม่ทานตอนเย็นเนี่ยมันก็มีสัจจะเพื่อเพื่อข่มใจนะเพื่อตัด ความปรุงแต่ ง, ต, งต่างๆออกไปจากใจได้เนะี่ยถ้ย่งสัจจะด้วยกันเริ่มมีศีลเนี่ยนะมันก็จะทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นนะแม้หิวขนาดไหนเราก็จะไม่ไม่ทานอาหารโดยเวลาวิการอนะไรนี้หรือแม้แต่เราสื่อศีลศีลห้าก็ดีศีลแปก็ดีหรือศีลของพระก็ดีนะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนยะเป็นสิ่งที่ผิดศีล น, นะ แม้ยุงกัดมดกัดอะไรมาทำร้ายร่างกายนี้เราก็ไม่ทำร้ายเขานี่คือเราก็มีศีลแต่ถ้าคนไม่มีศีลก็ทำตามใจแต่เองบังทีก็เริ่มด้วยศีลการมีสัจจะการมีความอดทนอดกั้นคันติมันก็ค่อยๆเผากิเลสนะเผากิเลสเจ็บหยาบออกไปจากใจของเราได้ง่าย แต่ถ้าเรามีสมาธิมากขึ้นนะใจมีความมั่นคงใจมีความสงบมีความสุขมากขึ้นเนี่ยมันก็มันก็เหมือนไม่ต้องละนะเพราะว่าอะไรเราอยู่ในที่ที่สงบอยู่ในที่ที่มั่นคงเนะี่ยมันก็ละไปในตัวมีสติมีสมาธิอยู่ในตัวเนี่ยความทุกข์มันก็เข้ามาไม่ถึงใจนะ มันก็อยู่รอบรอบเเหมือนครูบาอาจารย์ท่านบอกมีสติเนี่ยเหมือนเรานอนกลางนอนกลางมุ้งนะยุงมันบินรอบรอบนะมันกัดไม่ถึงตัวเราจริงสนารับมีสติเป็นแบบนั้นจริงจริงนะนีมันจะเห็นนะว่าเนี่ความฟุ้งแต่งความทุกข์มันมันเข้าไม่ถึงใจเรามันมีอยู่นะนีอมันมีอยู่เช่นสุตทเอาง่ายเช่น ความคิดมันก็มีอยู่นะแต่คิดแล้วก็ช้ำหัวมันก็ไม่ไปยึดนไม่ไปยึดก็คือไม่ไปยึดถ้าความคิดนั้นเป็นจริงเป็นจังอีส่วนหนึ่งก็ไม่ไปยึดแบบพยายามผลักใส่มันไม่อยากคิดไม่อยากคิดไม่อยากฟุ้สร้างนนี่ยการไม่อยากไปคิดก็คือการยึดย่การไปคิดว่าความคิดนั้นเป็นจริงเป็นจังนั่นก็เป็นยึดเหมือนกันนะซีนัภาวนาก็ต้องโดนนะ บทีท้าคนไม่ภาวนาเลยนะก็ไปปรุงแต่งตามเรื่องที่คิดไปเลยแต่นักภาวนาบางคนก็อยากจะไปห้างความคิดอยากจะผักใส่ความคิดที่จริงก็เป็นการไปยึดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอ่นารที่มีสติเฉยๆก็คือปล่อยมันเหมือนกับปล่อยให้น้ํามันไหลไปตามธรรมชาตินะไม่ต้องไปขังไม่ต้องไปจัดการเลยมันเลยนะปล่อยให้ลมมันพัดไปตามธรรมชาติของมั น, น มันก็ไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปทำอะไรก็แค่รูว่ามันเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปของมันเองอันนี้คือเราทำเหตุนะเมื่อใรถ้าเรามีสติมีสมาธิดีๆเนี่ยจิตมันมั่นคงจิตมันมีเครื่องอยู่เนี่ยอาการต่างๆมันเกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่แบบสิ่งที่เป็นน่ะภายนอกเท่านั้นมันเหมือนยุงมันตอมได้เพียงแค่นอกมุ้งไะ แต่เราอยู่ในมุ้งเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะใจวางไว้ถูกแล้วนะเนี่ยทำแบบนี้ไปบ่อยแล้วก็เห็นเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นในกายในใจนะเห็นอาการแต่จริงคาว่ามีสมาธิมีสติไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แต่ในมุ้งตลอดนะบางทีมันก็เผลอออกไปนะความเผลออยากจะออกนอกมุ้งไปก็มีเนี่ยพอมีสติเราก็กลับมา เผอออกไปแล้วก็กลับมาน่ะเห็นอาการเผลอบ่อยบ่อยนะเห็นอาการหลงบ่อยบ่อยนะธรรมะก็จะปรากฏขึ้นนะ่ะเห็นการเกิดการดับนะเห็นความบังคับบัญชาไม่ได้นะเห็นจนระทั่งเข้าใจเกิดปัญญานะ่ะมันถึงจะตัดนะตัดได้ว่าในการยึดมั่นถือมั่นในตัวต น, นจริงๆเป็นแบบไหน เนี่ยเราก็ค่อยๆฝึกของเราเนาะเนี่ยการเดินทางทุกๆวันเนยหรือว่าการเจอสภาวะอารมณ์ทุกๆวันนะเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้นะความทุกข์เนี่ยเราเรียนรู้ความทุกข์นีเรียนรู้ไปเรื่อยแต่เราก็จะละเหตุของความทุกข์แล้วก็พ้นความทุกข์ได้แต่ละขณะแต่ละขณะเนาะเมื่อเราเข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองเนี่ย เราก็จะเข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเหมือนกันเนะี่ยเวลาเราแผ่เมตตานะมันก็มีพลังนะสัดทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนะี่ยเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนะี่ยเราปรารถนาจะให้สรัตว์ประสาททั้งหลายมีความสุขนะ่ะไม่มีความทุกข์เนะี่ยสัตว์ทั้งหลายแล้วนะั้นก็คือตัวเราด้วยนะสัตอื่นๆด้วยเนะี่ย ก็เจออยู่ในสภาวะเดียวกันนั่นแหละนะอืมมันจะทำให้เราเปิดใจนะไม่ได้มองแต่ตนเองแบบยึดมั่นถือมั่นนะนะแต่จะเปิดใจในการมองเห็นคนอื่นมองเห็นตัวเองด้วยนะนีมันก็เหมือนเป็นหนึ่งเดียวกั น, นะนะนกเนานนนนะนะ ม, นมองเห็นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันทั้งหมดเลยนะนะ มันเป็นการเปิดใจบางคนก็ว่าเนี่ยการพอเข้าใจธรรมะมันก็เหมือนจะว่าแบบมันเต็ม เ, เต็มไปด้วยความความรู้ความเข้าใจนะหรือจะว่ามันว่างก็ว่างจากความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรก็ได้นะมันก็เป็นสิ่งเดียวกันเหมือนน้ำเนาะมันจะไหลออกมาจากตานะตรงไหนพอมันไปรวมกันมันก็เป็นน้ำ เป็นหนึ่งเดียวกันไปเลยนะ อ, อน้ําจากน้ําจืดก็เหมือนกันนะลมมหาพมดลมทะเลนะก็กลายเป็นน้ําเหมือนกันแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นน้ําจืดมาก่อนอันไหนเป็นน้ําทะเลมาก่อนแยกไม่ออกนะจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจที่นะี่ที่เราเปิดใจที่เราเรียนรู้เนะี่ย เราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับกับทุกคนทุกสัปปสัตว์เป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติมองเป็นมองเป็นหนึ่งเดียวกันมองเหมือนกันเจอพภะวะธรรมเดียวกันหนีไม่พ้นเหมือนกันนะเราก็จะเข้าใจเขามีเมตตามีกุณามีความคิดที่ไม่อิจฉาพยาบาทเรียกว่ามุติตา มีอุเบกขาบางทีก็มีอุเบกขาบางทีก็ต้องให้เขาพยายามด้วยตัวเขาเองไปแทรกแซงไปช่วยเขาทั้งหมดก็ไม่ได้ก็ต้องวางใจนะก็ต้องเขาก็ต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องพยายามของเขาเองเยนะแต่ใจก็ยังรู้สึกดุ้นช่วยเขาอยู่นะแต่ก็ต้องให้เขาช่วยตัวเองแบบนี้อุเบกขานะบางทีช่วยไม่ได้ก็ต้องวางใจปล่อย น, น ก, ก็มันก็จะค่อยเกิดขึ้นในใจของเราเองนอเนาะ